เมื uhm, SON, ่อศีลเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วในชวนาจิตนะครับคือหมายคำว่าเอาฝ่ายดีบ้างมาพูดนะครับเมื่อศีลเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วในชวนาจิตแม้ทวารก็เป็นอันคุ้มครองแม้ภวังก็เป็นอันคุ้มครองแม้วิถีจิตมีอวัชนาจิตเป็นต้นก็เป็นอันคุ้มครองถามว่าเหมือนอย่างไรตอว่าเหมือนเมื่อประตูเมืองปิดดีแล้วประตูเรือนเป็นต้นภายในไม่ปิดก็จริงถึงกระนั้นสิ่งของทั้งหมดภายในเมือง ก็ชื่อว่าเป็นอันรักษาดีแล้วเป็นอันคุ้มครองดีแล้วทีเดียวก็เมื่อประตูเมืองปิดแล้วโจรทั้งหลายก็เข้าไปไม่ได้ชั้นใดเมื่อศีลเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วในชวนาจิตแม้เทวานก็เป็นอันคุ้มครองแม้ภวังก็เป็นอันคุ้มครองแม้วิถีจิตมีอาวชนาจิตเป็นต้นก็เป็นอันคุ้มครองฉะนั้นเหมือนกันฉะนั้นความสำรวมแม้เกิดขึ้นในขณะแห่งชวนาจิตท่านก็กล่าวว่า สัมรวมในจกักรครูทวาร น, นะครับเออย่างเช่นว่าขออนนะอย่างเช่นว่าคนที่เขาที่ท่านเจริญฌานเนี่ยอยันนี้นี่เราจะเป็นลักษณะของการปิดประตูเมืองลักษณะของคุ้มครองสวรรค์สีอะไรเช่นนั้นนี่คือผู้ที่จะเจริญฌานได้นะครับถ้าโดยลําดับของการปฏิบัติแล้วยางไรเสีย อินทรีย์สังวรศีลเนี่ยนะครับท่านก็ต้องบริบูรณ์แล้วท่านจึงจักเจริญได้นะครับคือหมายความว่าผู้ที่จะได้ฌานนั้นอินจตุปริสุทธิศีลต้องดีถ้าหากว่าไม่มีจตุปริสุทธิศีลเนี่ยนะครับท่านก็ไม่สามารถที่จ ะ, จะเจริญฌานได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าศีลเ น, นี่ยนะครับมันเป็นบาตรของฌานนะครับเป็นฐานของฌานถ้าศีลไม่ดียังไงก็เจริญฌานไม่ได้นี่ถ้าเรากล่าวถึงสมณะเพศนะครับ ถ้าไม่ปรงอบัตดก่อนนะครับถ้าเป็นอบัติติดค้างตัวเนี่ยนะแล้วไม่แสดงคืนอบัตดปล่อยจิตให้ไปเป็นบาปแล้วไม่ตั้งใจอธิษฐานเป็นต้นเนี่ยนะเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ก็ยากที่จะทําฌานได้นะครับบางคนก็อาจจะ ก, กลัวว่าเออถ้าหากก็ไปเข้าฌานก็แสดงว่าไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้รักษาศีลจริงอะไรทํานองนี้ฌานไหนครับที่ว่านี่นะถ้าฌานตามคําสอนก็ศีลต้องดีก่อนจึงจะได้ฌาน แต่ถ้าฌานแบบที่คิดคิดกันเองก็ไม่แน่ใจนะครับคือในที่นี้ผมไม่ประสงค์จะกล่าวในแนวอื่นทั้งนั้นนะครับผมจะมุ่งอธิบายตามที่มีอยู่ในคัมภีร์นะครับดังนั้นฌานในสายของครูอาจารย์ทั้งหลายผมจะไม่พลาดพิงถึงทั้งนั้นนะครับเป็นจริงหรือไม่จริงผมไม่วิจารณ์แต่ถ้าฌานในพระไตรปิฎกนี้จะต้องมีการปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนจริงๆนะครับเพราะพระองค์ตรัสเลยนะว่าถ้าหากว่ากุศลศีลเนี่ยนะครับไม่ดีไม่มี หรือกุศลศีลไม่บริบูรณ์เนี่ยนะครับอาวิปปิสารก็ก็ไม่บริบูรณ์นะครับถ้าอาวิปปิสารเนี่ยนะครับไม่บริบูรณ์ปราโมทก็ไม่บริบูรณ์เมื่อปราโมทไม่บริบูรณ์ปีติก็ไม่บริบูรณ์เมื่อปีติไม่บริบูรณ์ปัสธิก็ไม่บริบูรณ์เมื่อปัสธิไม่บริบูรณ์สุขก็ไม่บริบูรณ์ถ้าสุขไม่บริบูรณ์สมาธิก็ไม่บริบูรณ์สมาธิที่ว่านี่คือฌานนะครับเพราะสมาธิมีสุขเป็นเหตุใกล้ สุขเนี่ยนะครับมีปัจสถานเป็นเหตุใกล้ปัจสทานนั้นมีปีติเป็นเหตุใกล้ปีติมีปราโมดเป็นเหตุใกล้ปราโมดมีอวิปติสารเป็นเหตุใกล้อวิปติสารก็มีกุศลศีลเป็นเหตุใกล้กุศลศีลก็มีอินทรียสังวรเนี่ยที่กล่าวอยู่เนี่ยเป็นเหตุใกล้แม้แต่อินทรียสังวรก็มีสติสัมปชัญญะนั่นแหละครับเป็นเปิดใกล้นะครับก็จะเป็นไปตามลํำดับเป็นไปตามระบบนี้นะครับถ้าเอาตามคำพีเนี่ยนะตามแนวพระไตรปิฎกจะเป็นแบบนี้ แต่ถ้ า, าว่าไม่เป็นไปตามนี้ก็ยากนะครับหรือเว้นแต่ว่าสํานวนที่ว่านิทราชายีนะครับหลับอาจจะเป็นได้นะครับหลับจางเรยวเลยหลับในท่านั่ ง, น, น, งนั่งหลับอะไรเงี้ยนะนะครับเคลิมไปเลยนะลึกไปเลยเงี้ยตื่นขึ้นมาไอ้ทีอ้าวเขาเลิกกันหมดแล้วเลยที่ไหนได้นะครับหลับ ส, สนิทเลยนะครับวิจารณ์กันไปเรื่อยนะครับ ในนีคนไม่ได้ศึกษาเขาวิจารณ์เขาเขาพูดไปตามภาษาคนเมาทั้งหลายนะครับผมไม่ได้คิดอะไรมาเพราะอะไรครับเหมือนกับคนไม่รู้แล้วชี้นะเขาจะชี้ให้อะไรเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไปเพลิดเพลินตามเขาหรือว่าเอาคําของเขามาใส่ใจนักเราเนี่ยนะครับน่าจะแย่แล้วละครับนนสสรเราเนี่ยน่าสงสารกับเขานะครับทําไมครับเหมือนกับเราไปเห็นคนบ้าเขาคุยอะไรกันเนี่ยนะเสร็จแล้วเราไปใส่ใจมากนักเนี่ยคนดีนะครับน่าสงสารกับคนบ้านะครับ เพราะปกติเขาก็เป็นอย่างนั้นของเขาอยู่แล้วนะครับพอแม่มาสับประงกสับประเกอกอะไรเนี่ยก็ได้ดิบได้ดีไปหมดในแห ม, มก็เกินไปแล้วนะครับก็มีแต่ชาคริยานุโยกมีแต่ตื่นตัวนะครับนั่งนั่ใน <c oughs> คนละงานคนละการกันเลยนะครับแม้ทวารที่เหลือก็มีในนี้เหมือนกันนะครับทั้ง6ทวาร น, นะเพิ่งทราบความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายและความเป็นผู้ครบรุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายด้วย ประการชนีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าผู้ไม่สํารวมเนี่ยนะถ้าอารมณ์ที่น่าปรารถนาในอารมณ์หกเกิดขึ้นโลภะก็เกิดถ้าอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาก็โทสะเกิดถ้าอารมณ์ธรรมดาถึงไม่น่าเรีย ก, กว่าไม่น่าปราน่าปรารถนาก็ไม่ใช่ไม่น่าปรารถนาก็ไม่เชิงทั่วทั่วไปธรรมดาเนี่ยนะอันนั้นโมหะก็เกิดอีกนะครับเพราะว่า ไม่ได้พิจารณาอะไรเลยสักอย่างเนี่ยนะมันนั่งสลึมสลือว่าได้ดิบได้ดีกันหมดนะครับแต่นี้ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติในคําสอนเนี่ยนะครับต้องเป็นไปกับสิกขาสามเพราะฉะนั้นรับอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งเกิดขึ้นมาต้องสงเคราะห์สิก ข, ขาสามลงให้ได้ถ้าหากว่าพิจารณาโดยสิกขาสามลงไม่ได้ในอารมณ์นั้นนั้นก็เสื่อมจากข้อปฏิบัติ ต, ตามคําสอนแล้วนะครับ ในอารมณ์นั้นๆอวิชาก็ครอบงำในอารมณ์นั้นๆเมื่ออวิชาครอบงำก็ไม่ควรแก่าการสิ้นทุกข์อะไรทีนี้เลยมาหาเกี่ยวกับเรื่องฉันบัางนะถามว่าก็ภิกษุชื่อว่าไม่รู้จักประมาณในโภชนะเนี่ยเป็นอย่างไรนะทำไม่รู้จักประมาณเป็นยังไงหรือว่าเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ว่าก็บุคคลใดเป็นผู้มีความอยากมากไม่รู้จักประมาณในการรับ คือไม่รู้จักประมาณนี่มีสองอย่างนะไหมไม่รู้จักประมาณในการรับกับไม่รู้จักประมาณในการบริโภคทีนี้ก็เอาไม่รู้จักประมาณในการรับก่อนว่าบุคคลผู้มีความอยากมากนั้นก็เหมือนกับพ่อค้าเร่นะครับหิ้วเครื่องประดับและสิ่งของไปแล้วก็เก็บสิ่งที่ควรเก็บเอาไว้ในพกแล้วก็ตะโกนบอกแกมหาชนผู้เห็นอยู่ว่าพวกท่านจงเอาสิ่งน้น จงเอาสิ่งโน้นดังเนี่ย น, 네นะเท like ี่ยวขายของไปเรื่อยเนี่ยนะครับบุคคลผู้ยกย่องศีลก็ดีนะอ้างศีลตัวเองเนี่ยเป็นผู้มีศีลนะครับไปที่ไหนก็โชว์ศีลเป็นหลักนะครับหรือว่าคำภีก็ดีไปที่ไหนก็อ้างคำภีตะพึ่ดนะครับนั่นนะหรือไปที่ไหนก็อ้างแต่ทุดงนะครับเนี่ยสายทุดงนะหรือว่าสายอัตมารักษาศีลนะนี่สายคำภีรนะนี่ก็สายทุดงนะไปแล้วก็ ไปเที่ยวยกย่องอันนี้นะครับของตนแม้มีประมาณน้อยที่จริงอ่ะนะศีนก็กระพองกระแผงเต็มที่คัำพีก็ตกตกลนๆทุดงก็ไม่บริบูรณ์เนี่ยนะครับไปที่ไหนก็หรือว่าบางองค์เนี่ยหนักที่สุดก็แม้กระทั่งแค่อยู่ป่าเนี่ยนะครับลใครๆก็บอกยกตัวเองอ่ะสายป่าเนี่ยนะครับเป็นคนอยู่ป่านะอยู่บ้านอยู่เมืองกับเขาไม่ได้ต้องอยู่ป่าอยู่เขาต้องอยู่รีเก้นเนี่ยนะให้แกมหาชนผู้รู้อยู่นะครับ และแล้วก็ครั้นยกย่องแล้วเมื่อเขาเอาเกวียนขนปัจจัยนําเข้าไปให้นะเอาไปถวายนี่ก็ไม่พูดรับเพลาะยังรับเอกฉชนั้นเหมือนกันนะครับก็ยกคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้เขาเอาอะไรมารับหมดนะครับในลักษณะนี้นะครับเชื่อว่าไม่รู้จักประมาณในโภชนะก็เหมือนอย่างที่ท่านกล่าวว่าบุคคลเนี่ยนะครับไม่อาจให้3มสิ่งเต็มได้คือไฟเต็มด้วยเชื้อนะครับเอาเชื้อเพลิงเนี่ยครับไปใส่ให้ไฟนี่ไม่มีเต็ม มหาสมุทรก็ไม่เต็มด้วยน้ำคนมีความอยากมากก็ไม่เต็มด้วยตัดัยกองไฟ ม, ามหาสมุทรและบุคคลผู้มีความอยากมากทั้งสามอย่างนี้ไม่เต็มด้วยปั จ, จัจเป็นอันมากว่างั้นะเราก็ถมยังไงก็ไม่เต็มว่างั้นทะด้วยว่าบุคคลผู้มีความอยากมากไม่สามารถยึดเหนียวน้าใจแม่ของมารดาผู้บังเกิดกล้าวได้ว่างั้นแะแม่ก็ให้เต็มไม่ได้ว่างั้น เพราะบุคคลเห็นปานี้ย่อมยังลาบอันยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นและย่อมเสื่อมลาบอันเกิดขึ้นแล้วดังนี้นี่นะครับเกี่ยวกับเรื่องไม่รู้จักประมาณในการรับอันลักษณะนี้ก็คือที่กล่าวไปแล้วก็คือผู้ที่ยกย่องคุณธรรมที่พอมีอยู่บ้างนิดห น, นหน่อยนิดนหน่อยหนะมีดีจุดไหนก็เอาจุดนั้ น, นมาขายมาขายกินนะครับลักษณะนั้นเรียกคนมากๆนะครับอย่างที่เรากล่าวไปแล้วครั้งก่อนโน้นน ะ, นะ ทั้งเราก็ตรงนี้ก็พยายามหมั่นสังวรเหมือนกันนะครับนนะผู้ใดปรารถนาอยากต้องการอาหารแม้ได้แล้วโดยทำโดยสม่าเสมอได้ปัจจัย4ีโดยบริบูรณ์เนี่นะครับบิณฑบาตเป็นต้นเนี่ยนะถูกต้องโดยชอบทำะนะแต่เป็นผู้ไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเครื่องออกบริโภคเต็มท้องตามความต้องการโดยไม่เย็บขายโดยไม่ใช่อุบาย แปลว่าไม่ทําปฏิสังขาโยนิโสว่างง้นเนี่ยปฏิสังขานี่แปลว่าการพิจารณาโยนิโสแปลว่าโดยเย็บคลายนะครับมนาสิการว่าบริโภคไปเพื่ออะไรเป็นต้นเนี่ยนะไม่ทําแบบนี้ก็ชื่อว่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคแล้วก็บริโภคอาหารเหมือนกับหัตถกะพราำเกินจนบอกว่าจะลุกเนี่ยต้องให้เรียกให้คนมาฉุดมือขึ้นเลยก็หัตถกะพราม์นะครับ หรือว่าอลังสาตะกะพรามก็หมายคําว่าต้องคลายรัด ต, ตะคดหรือต้องคลายผ้าท่าหน่อย<ม>อลังเนี่ยนะครับอลังสากตะก็คือปลดผ้านะมันคล้ายๆนั่นนะถ้าของเราก็ปลดรัด ต, ตะคดออกไปหน่อยนะครับอะไรนะปล่อยรัด เ, เข็มขัดก็คลายเข็มขัดท่าหน่อยนั่นนะนักสองสามเบอร์อะไรเงี้ยนะจะได้ฟรดีมั้งนั่นน่ะเรียกว่าอลังสากตะพรามหรือว่าตัดทะวตะกะพรามนี่โดยสท์แปลว่าอะไรครับนะครับ Uh แล้วก็พวกกากรรมสกะพราหมเนี่ยนะฮะนี่หนักหน่อยนะครับออตทธวตการนี่น่าจะถึงลําคอนะครับส่วนกากรรมศาสเนี่ยนะครับเคี้ยวจนอ้าปากค้างอ่ะนะอาหารอยู่ในปากแล้วต้องให้กาเนี่ยนะครับมาจิกออ ก, กว่างั้นเถอะเขาเรียกว่ากากรรมสกะพราหมนะครับส่วนพุตะวามิกพรามก็คือกินแล้วก็กลิ้งอยู่ตรงนั้นเลยนะครับกินเสร็จ ก, ก็กลิ้งเกลือนอยู่ตรงนั้นเลยเขาเรียกว่าพุตะวามิกะพราม์คนใดคนหนึ่งอ่ะนะไม่ใช่ชั้นแบบ น, นั้น อันนี้อาคามธิบายอยู่ในดีกาวิสุทธิมัคนะครับไปดูได้ในดีกาวิสุทธิมักเรื่องอบริโภคปัจใจสี่นะครับนะครับอย่าไปทําแบบนั้นนะนะเพราะฉะนั้นพวกหัตถะก็คือเนี่ยนะครับกินอิ่มกินอิ่มแล้วลุกไม่ไหวแล้วฉุดมือทีหนึงนะอลังสาหัตา ก, าก็ปลดผ้าออกน่อยเหมือนกันจะได้พอดีพอดีส่วนตัดฐหาหัตกาก็คือจ น, นถึงลําคอนอนะครับ กากรมาสาก็กินจนเคี้ยวไปเคี้ยวมาหนึงเคี้ยวหกไม่ลงตั้งกามาจิกออกมางั้นส่วนพุทธะวร ม, มิกาก็คือนอนเปิ้งเกลือกอยู่ตรงนั้นแหละครับกินเสร็จกันลุกไม่ไหวอ่ะนะนอนหลับกรนตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็เป็นผู้มุ่งเอาแต่ความสุขในการนอนความสุขในการเอนหรือการพิงอ่ะนะก็สุขในการหลับนะสุขในการเอกขณเอกทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับ น, น, น, น, นี้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคนะครับ นี่ฝ่ายฝ่ายไม่ดีนะครับนะท่นี้ฝ่ายดีนะครับว่าผู้ใดก็ผู้ใดเป็นผู้รู้จักประมาณในโพชนะด้วยสา ม, มารถแห่งการรู้ประมาณในการรับนะวิธีรู้ประมาณในการรับนะครับที่ท่านกล่าวว่าอย่างนี้ว่าแม้หากว่าทายธรรมมีมากผู้ให้ประสงค์จะให้น้อยผู้รับย่อมรับแต่น้อยตามความประสงค์ของผู้ให้นะครับอนะของมันเยอะะทายธรรมก็เยอะ แตม่มันอยากให้หน้อยๆก็เอาแต่น้อยก็แล้ว ก, กันครับสถาน้อยทายรร ม, ยมีน้อยผู้ให้ประสงค์จะให้มากก็ย่อมรับเอาแต่น้อยด้วยอำนาจของทายรรมก็ของมันน้อยจะเอาเยอะได้ยังไงถ้าหากว่าทายรรมมีมากผู้ให้ก็ประสงค์จะให้มากผู้รับก็รู้กําลังของตนรับแต่พอประมาณเท่านั้นเช่นอาหารบนโต๊ะเนี่ยนะครับ โอ้ยศรัทธาทยกเขาก็ใจใหญ่หน้าดูเลยนะครับขนมาเต็มโต๊ะไปหมดเลยนะหมอ้อกัเบอร์โต๊โตทั้งนั้นแหละครับต้องแทบจะช่วยกันยกสองคนนั่นแหละนะมาแล้วไม่ใช่หมอ้อเดียวด้วยเนี่ยนะเสร็จแล้วแม้อาหารถูกใจทั้งนั้นออย่างนี้ก็ให้รู้จักประมาณตาบประมาณท้องนะครับอันนี้เรียกว่ารู้จักประมาณในการรับก็ต่อไปก็รู้จักประมาณในการบริโภคก็อันได้แก่การพิจารณาที่ท่านกล่าวไว้โดยนายเมียที่ว่า การพิจารณาอาหารในอาหารโดยแยกขายไม่บริโภคเพื่อเล่นเพื่อมัวเมานี่นะครับปฏิสังขาโยนิโสปินทปาตังปฏิเสวามิเนวทวายนมทายนมันธนายานวิภูษายะเป็นต้นนั่นเองนะครับว่าเราพิจารณาโดยแยกขายแล้วจึงบริโภคอาหารเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่ใช่บริโภคเพื่อเล่นไม่ใช่บริโภคเพื่อมัวเมาไม่ใช่บริโภคเพื่อประดับตกแต่งไม่ใช่บริโภคเพื่อ นะครับให้เกิดกําลังเป็นต้นเนี่ยนะคือกําลังแบบกําลังแบบชายชายตรีเนี่ยนะครับไม่ใช่แบบนั้นนะบริโภคเพื่อไม่ให้เวทนาเก่าเกิดขึ้นแล้วก็บริโภคก็ไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ความเป็นไปได้แห่งอัตภาพนะครับแม้กระทั่งความเป็นอยู่ผาสุขนะหรือว่าอนุเคราะห์พรหมจรรย์นเนี่ยนะครับเหมือนกับอาการหยอดเพลาเกลียนใช่ไหมครับเหมือนกับมารดาผู้ต้องการข้ามทางกันดารแล้วก็ บริโภคเนื้อบุตรชนะนะครับก็พิจรนารณาในลักษณะนี้นะครับคนที่บริโภคอาหารนี่ที่มันมากมันมีอยู่สองประเภทนะผมลองไปดูพวกหนึ่งก็คือติดในรถครับอ่าไอ้พวกหนึ่งก็กลัวว่าถ้าทานน้อยกว่านี้แล้วสุขภาพมันจะไม่ดีครับก็เป็นลักษณะนี้เออยังมีพวกฉลองศรัทธาอีกพวกนอืมพวกฉลองศรัทธาก็นะครับกรุณาช่วยรักษาศรัทธาตัวเองในพระาศาสนาไว้ด้วยนะครับ ถ้าหากว่ารักษาศรัทธายมมากศรัทธาในพระศาสนาของตัวก็ลดเหมือนกันนะครับ เ, ออ เ, เพราะฉะนั้นก็อนเอาให้มันความสมดุลกันหน่อยนะศรัทธาส อ, อ, องศรัทธายมแล้วก็อาหารก็ไม่หย่อยซะด้วยครับศถัทาพจ <c oughs> ์โพธิศรัทธาของเราดูจะลดไปนะครับเพราะว่าไม่ปฏิบัติตามคําสอนมัวแต่ฉลองศรัทธายมนะครับก็น่าสงสารกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ยอมนี่จะได้บุญมากหรือเปล่าไม่ทราบ น, นะ เพราะว่าภาคกัเกงใจโยมนะครับอันที่จริงนี่พระคุณเจ้าควรจะเกงใจพระรัตนตรัยควรเกงใจพระผู้มีพระภาคใช่ไวยครับตามหลักอนะเห็นโยมเข้ามาก็เอาใหญ่เลยนะครับพระอึดพระอมดีไม่ต้องส่งโรงพยาบาลลําบากอย่างนั้นก็มีนะครับสมัยพุทธกาลก็น่าจะมีเหมือนกันนะพระภิกษุแบบนี้นะครับเพราะว่าท่านเอามาพูดเป็นเหมือนกับเป็นเรื่องให้เราขำขำกันในคมภีร์นะเช่นบอกว่าโอ้ยองค์นั้นเหรอเป็นอย่างงี้มานานแล้วนะครับ แล้วก็ก็กาก็กล้าในเรื่องอาหารนี่แหละว่างันเขามีนะสมัยพุทธกาลเนี่ยนะหรือว่าในทะไดบปิดกเนี่ยพบเยอะเหมือนกันแต่ว่าท่านสำนวนแบบท่านแฝงแฝงเอาไว้นะพอให้รู้ว่าเออหน้าจะมีตัวอย่างนะครับ ท, ท, ร ท, ที่นอนกลิง้งนะนอนแล้วเข้าห้องเข้าห้องบ่อยๆเหมือนหมูนะที่ถูกปรนปรือด้วยผักแค่ น, นั้นนะนะนะครับแล้วก็ หรือว่าอาจจะพิจารณานะครับว่าครั้นได้แล้วก็ไม่ปรารถนาะคือหมายว่าได้พอควรแล้วก็ไม่ปรารถนาะไม่อยากไม่ต้องการบินทบาทอีกนะครับคือพอสมควรแล้วนะก็เป็นผู้เห็นโทษว่าอาหารเนี่ยนะมันมีทุกมีโทษยังไงบ้างถามว่าโทษมีไหมครับอาหารถ้วยหนึ่งเนี่ยนะกว่าจะได้มาเนี่ยม่วนขนาดไหนครับม่วนไหม <c oughs> ข้าวถ้วยหนึ่งเนี่ยนะกว่าจะมาเป็นข้าวถ้วยนั่น น, นะ สนุกไหมครับถ้าจะคิดนะพิจารณาเนี่ยนะกว่าจะไปหวานนะครับหวานเสร็จเนี่ยก็กว่าจะไถ่ปักดําเนี่ยนะเก็บเกี่ยวการดูแลเป็นต้นเนี่ยเอามาสีเอามานวดเอามาหุงเนี่ยนะกระบวนการกว่าจะมาเป็นข้าวถ้วยหนึ่งเนี่ยนะไม่ใช่เป็นของสนุกสนานอะไรเลยนะครับเอ่อพ่อเก๋นะครับผมนึกถึงเรื่องธรรมทานญาติสูตรอ่ะที่ว่าพิอาหารที่เหลือจากพระพุทธเจ้าที่เรามีพระพิสูตสองรูป รูปหนึ่งนี่พระพุทธองค์ก็รูปหนึ่งไม่ยอมรับใช่ไหมครับผมแต่อีกรูปหนึ่งก็รับเอาไปแต่พระพุทธองค์ส a รเสริญองค์ที่ไม่รับองค์ที่ไม่รับนะครับนะก็คือให้ให้รู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องอาหารทั้งหลายนี่นะครับก็ต้องรู้จักทุกโทษเชื่อไม่ว่าเพราะอาหารเป็นเหตุนี่นะครับสัตว์บางพวกก็ทําปาณาติบาตนะครับอาหารถ้วยหนึ่งนี่นะครับบางคนกว่าจะมาเป็นอาหารถ้วยหนึ่งนี่นะครับต้องฆ่าเท่าไหร่ เช่นถ้าเป็นพวกปลาเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับกี่ชีวิตครับจึงจะได้ถ้วยหนึ่งเนี่ยนะเนะพราะอาหารเป็นเหตุเนี่ยนะครับคนก็ต้องทําปาณาติบาตบางคนต้องลักก่อนนะครับต้องไปลักกับไปขโมยเนี่ยนะจึงจะได้กินบางคนก็ต้องไปประพฤติผิดผิดในกามหรือบางคนก็ไปมุสาวาตเป็นต้นเนี่ยนะครับจึงจะได้อาหารถ้วยๆนั้นๆมานะครับหรือว่าผู้ติดในรถเนี่ยมีโทษยังไงบ้างครับนะองค์บอกเลยเอามีดตัด ลิ้นออกมาเลยนะครับดีกว่าผู้ที่บริโภคและติดใจในรถเพราะว่าพอถ้าจุติขนาดนั้นนะครับขณะที่กำลังอร่อยและจุติเนี่ยนะครับแสดงว่าอบายทุกติวินิบาทเนี่ยวังได้นะครับในอาทิตะอาทิตตไปยัสูตรนะครับในสังยุตตนิกายนะครับแล้วก็เป็นผู้มีปัญญาเครื่องสลัดออกหมายว่านิสรณะยินดีที่จะสลัดออกจากอาหารเชื่อไหมครับว่า ที่ศรีลังกาเนี่ยสมัยก่อนบอกว่าเสนาสนะทุกเสนาสนะที่มีผ้านั่งฉันตรงนั้นมีผ้านั่งบรรลุอรหันต์กันได้หมดนะครับทุกๆแห่งเลยนะครับแสดงว่าการพิจารณาในขณะบริโภคนั้นมีความสําคัญมากแล้วก็จนถึงกับมีกรรมฐานสายนี้เรียกว่าอาหารเรปฏิกูลสัญญานะครับการพิจารณาถึงความปฏิกูลของอาหารนะแล้วก็บริโภคแล้วก็รู้ด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาแล้วจึงบริโภคอาหารดังนี้นะครับ ลักษณะนี้ชื่อว่ารู้ประมาณในโภชนะคือบริโภคอาหารตามหลักปฏิสังขาโยนิโสปินทปาตังเป็นต้นแล้วบริโภคอาหารตามหลักอริยะวัง ส, สูตรนะครับอังคุตรณนิกายจตุ ก, การนิบาทนะครับมีการพิจาจรณาเรื่องของอาหารเป็นอย่างดี ด, ดีเพิ่งทราบว่าพิสุผู้ไม่รู้ประมาณและเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะอย่างนี้นะครับ